ภายเราทั้งหลายถือโอกาสความเย็นภายนอกแล้วนําเข้าสู่ความเย็นภายในจิตใจของเราด้วยถ้าจิตใจของเราเย็นสบายแล้วทุกอย่างก็ปลอดสบายไปด้วยมีความสุขไปด้วยถ้าอากาศเย็นเท่าไร้าใจของเราไม่เย็นอย่างไรก็ต้องทุรนทุราย เดินรอนต่างๆหาความสุขหาความสำราญไม่ได้เพราะใจไม่เย็นการอบรมจิตใจของเราจึงเป็นความสำคัญมากเพราะทำคำสอนพระพุทธเจ้านั่นถ้าหากเราทางหลาย ได้รวบรวมมาเป็นสมบัติของใจแล้วเราก็จะได้เป็นที่พึ่งอย่างสำคัญถึงท่านมีอยู่ถ้าเราไม่ได้เอาเข้ามาไว้เป็นสมบัติของเราก็เลยเป็นของทั่วไปเราก็ไม่ได้รับประโยชน์แบบเปรียเหมือนยาโอสดอันวิเศษ ถ้าเราไม่บริโภคแล้วโรคของเราที่มีอยู่เราก็ไม่ไม่สามารถจะให้หายได้โรคร้ายไม่ใช่เต่เพราะว่าแต่เพียงมียาเท่านั้นแต่เพียงรู้จักชื่อยาเท่านั้นยานั้นมีอยู่เรารู้จักอยู่เราเพียงพยายาม หายาเหล่านั้นมาอยู่ในอำนาจของเราอยู่ในตัวของเรามีสิทธิที่แกใช้สอยบริโภคได้แล้วเราบริโภคลงไปจึงสามารถจะแก้ความเจ็บป่วยได้ชั้นใดก็ดีทำคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า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 ได้ลงมือปฏิบัติลงมือศึกษาและปฏิบัติถ้ถูกต้องแล้วรวบรวมทมเหล่านั้นให้ปรากฏขึ้นในใจของเราเห็นชัดในจิตใจของเรามีอยู่ในตัวของเรานั่นจึงจะเป็นทีพึ่งของเราได้เมื่อเราไม่เห็นถึงมีอยู่เหมือนก็ไม่มี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 เพราะฉะนั้นการปฏิบัติจึงเป็นสิ่งที่สําคัญการปฏิบัติธรรมที่พระองค์ในทรงแสดงไว้นั้นอก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เหลือวิสัยที่เราทั้งหลายทําไม่ได้เราทั้งหลายรู้ไม่ได้ถ้าเราผินนิพิจารณาตรวจสอบตรว จ, ต ร, วจตรองสอดส่องดูแลเราะเท่ารู้ได้ เช่นพระองค์ทรงแสดงว่านัตสันติพลังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสนุกไม่มีเมื่อพระองค์ทรงตรัสสุขอื่นยิ่งความกว่าความสงกไม่มีแล้วสิ่งที่ตรงขันข้ามทุกข์ก็คือความไม่สงบนั่นเองทุกอย่างยิ่งคือความที่จิตใจไม่สงบ จิตใจไม่สงบอยู่ตรงไหนทุกข์ก็อยู่ตรงนั้นจิตใจสงบอยู่ตรงไหนความสุขก็อยู่ตรงนั้นความสุขอยู่ที่ความสงบเพราะฉะนั้นเราดูจิตใจของเราสงบหรือยังถ้าจิตใจของเรายังไม่สงบเราก็ถือว่า เ, เรายังไม่มีความสุขเพราะมันยังเด่นร้อนอยู่มันยังฟูซ่านอยู่ มันยังเสิยวโหยัยงแสวงหาอารมณ์ยังอยากรู้อยากเห็นยังเลื่อนลอยอยู่มีสิ่งที่บังคับบีบคั้นให้ดิ้นดอนอยู่เพราะฉะนั้นลักษณะอาการเช่นนี้ร่วนแต่เป็นลักษณะอาการที่แสดงออกว่ามันมีความทุกข์ไม่ใช่มีความสุข ถ้าจิตใจมีความสุขจิตใจต้องเบิกบานตั้งนั่นแน่วแน่ไม่หิวโหยไม่ดิ้นรนไม่แสวงหาอะไรมาอีกเพราะมันอิ่ตัวแล้วเหมือนกับร่างกายที่เราใดพ้พอกบริโภคอาหารอิ่มแล้วเขาเอามาให้อีกก็บริโภคไม่ได้ไม่นึกอยากมันไม่หิวโหยเพราะอะไรเพราะมันอิ่มแล้ว ไม่ดิ้นรนไม่ต้องการเพื่ออาหารอีกชั้นใดก็ดีจิตใจของเราถ้ามีความสุขมีความอิ่มตัวแล้วมันก็ไม่ดิ้นรนมันก็ไม่หิวหอยไม่อยากอะไรเรื่องอันที่ไหนอีกเรื่อการอิ่มตัวจิตอิ่มนี่ไม่เหมือนบริโภคอาหาร อิมโดยการเป็นผู้มีปัญญาพิจารณาเห็นทุกเห็นโทษของความไม่สงบและะ้วมาพยายามอบรมจิตใจของเราให้สงบเมื่อจิตเห็นความสงบจิตใจเลยพอ ถึงไม่มีอะไรมันก็พอเพราะความสุขที่เกิดขึ้นจากความสงบทําให้คนพอไม่หาอะไรต่อไปอีกแต่ขอให้สงบยังถูกต้องตามธรรมคาสอนพระพุทธเจา้าสงบด้วยเป็นผู้มีสติสมบูรณ์บริบูรณ์ สงบด้วยปัญญาสามารถจับความหิวอยากได้สิ้นเชิงเพราะฉะนั้นความสงบประเภทนี้จึงไม่มีความปรารถนาพบชาติต่อไปอีกปรารถนาที่พึ่งอะไรอีกเพราะที่พึ่งมีแล เที่่งพอแล้วคำว่าที่พ่งพอแล้วนะ่ะก็คือที่พึ่งจิตใจที่มีกำลังรักษาไม่ให้หิวโหยนั่นเองไม่มีอะไรอยาง เลยพึ่งพุทธะคือผู้รู้ผู้รู้ไม่เคยบกพร่องมีอยู่ตลอดเวลาแม้จะมีสิ่งอื่นจะมาบิดบังคับแม้จะกิเลสจะมีห้อมล้อมอยู่รอบด้านก็ตาม ธรรมาทาตทเ่รู้แล้วก้องรู้อยู่ถึงแม้ว่าจะมีอวิชชามาหุ้มหอ่อแต่ธาตุรู้ก็ยังมีแสงของความรู้อยู่ไม่เคยสูญจากความรู้ถ้าอาวิชชาไม่มีความรู้แล้วมันจะเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารได้อย่ังไร เพราะฉะนั้นความรู้ของอวิชชานี่จึงสามารถครอบงำจิตใจของบุคคลได้สามารถจะเอาชนะคนได้คนไม่มีปัญญาใดศึกษาธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วไม่สามารถจะเอาชนะได้เพราะฉะนั้นอวิชชาไม่ใช่สินที่โง่ เหมือนคนบางคนเข้าใจทห า, าวิชาเป็นสิ่งที่โง่แล้วคนเราทำลายหมดแล้วไม่มีอะไรเหลือไม่ครอบงำจิตใจมนุษย์ได้สัตว์ทั้งหลายในโลกทั้งสามได้เพราะฉะนั้นอวิชชานั่นไม่ได้หมายถึงว่าความไม่รู้อะไรเสียเลย แต่รู้ไม่ใช่วิชารู้ไม่ใช่วิทยาจึงได้เรียกวิชารู้ไปในทางที่ไม่ใช่ให้สำเร็จสิ่งที่ตนต้องการคือความสุขอย่างแท้จิตรู้ไปตามวัตตะรู้ไปตาม ความต้องการของโลกฉลาดไปนในสิ่งที่สร้างวัตถุขึ้นมารู้แต่ในการยึดการถือการเด็กการถามรู้จักแต่ความอยากได้รู้จักแต่ความโกรธเมื่อขัดสิ่งที่ไม่สมประสงค์หรือสิ่งที่ตนไม่ชอบรู้แต่ความปรารถนาอย่างแรงกล้า ไม่ใช่ว่าไม่รู้สรุปใจความแล้วคือไม่รู้จักอรยิยสัจจธรรมทั้งสี่นั่นเองแต่นอกนั่นอวิชารู้หมดไม่ใช่ว่าไม่รู้ที่ไม่รู้จักอรยิยสัจจธรรมทั้งสี่ซึ่งเป็นธรรมของพระอรยิยในความจริงอย่างประเสริฐท่านจึงเรียกว่าไม่รู้ เพราะไม่รู้ความจริงแม้กางทั้งที่ทุกข์ก็มีอยู่แต่ก็ยังไม่รู้สามารถที่จะแก้ไขปัญหาในเรื่องทุกข์แม้แต่ใครๆก็ไม่ต้องการแต่ก็ยังออกไม่ได้สิ่งที่ให้ทุกข์เกิดก็มีอยู่แต่ก็ไม่สามารถที่จะเอามาใช้กับทุกข์เรื่องมาประกอบ ให้เป็นพ้นทางให้ดับทุกนั้นได้เพราะฉะนั้นจึงเรียกอวิชชาเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้อุบัติกลัดสรู้แล้วในโลกพระองค์มารู้ความจริ ง, งนี้พระองค์จึงรู้จึงรู้อวิชชาเพราะพระองค์มาเกิดวิชาเกิดขึ้นเมื่อใดรู้ความจริงเมื่อใดและความโล้ที่เวียนว่ายใจเกิด แต่ที่ทำให้มนุษย์ทั้งหลายสะสมสิ่งที่เศร้าหมองให้เกิดขึ้นแก่ตัวของตัวเองเหล่านี้ท่านจึงได้บัญญัติเรียกสิ่งเหล่านั้นอาวิชาเมื่อมีแล้วมันก็เป็นปัจจัยอาศัยการเกิดขึ้นตามําดับเช่นเป็นอาวิชามีเป็นปัใจจัยให้เกิดสังขาร สังขารมีเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาตวิญญาตมีแล้วเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปเป็นปัจจัยให้เกิดสลายตนะผัสสะเวทนาตัณหาอุปร า, านพบชาติชาลาทิยาิมรณะโสกปริเทวทุกขโทมานต์นี่มีทุกใจขับแคลนใจที่ ทั้งหลายได้รับอยู่ในปัจจุบันเพราะความไม่รู้อริยสัจจะทำจริงอย่างประเสริฐที่นี่อริยสัจจะทำนั่นเป็นสิ่งที่ลึกลับสลับซับซ้อนหมายทำไมถึงไม่สามารถจะรู้ได้ถ้าจริงนั่นอริยสัจจะทำนั่น ไม่ได้ลี้ลับสลับซับซ้อนเดเหมือนกับทุกเป็นพระองค์วิชาติปิตุขาความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความเจ็บเป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์สังขารทั้งหลายเป็นทุกข์สังขารทั้งหลายอนิจจังสิ่งเหล่านี้ล้วนจะมีอยู่ในสังขารคืออัตภาพร่างกายของเรา ถึงอย่างนั้นเราก็ยังไม่โล้ความจิตยังไม่สามารถจะจะทาให้เกิดความเบื่อหน่ายในทุกเหล่านี้ได้เราสำคัญว่าเป็นความสุขนอกจากที่จะเรามาศึกษาอาศัยทมคำสอนตามทางที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายจะทรงแสดงอะไรนะ มาสอดส่องพินิษพิจารณาจิตของเราเนี่ยังไม่ยอมรับความจริงความจริงมันมีอยู่วันอย่างข้าเพราะอำนาจแห่งความหลงอุปทานความยึดถือความหลงผิดมาหลายพบหลายชาติไม่สามารถจะปล่อยวางได้เพราะฉะนั้นจําเป็นจะต้องอบรมแล้วอบรมอีก กว่าจะรู้ความจริงกว่าจะยอมรับความจริงจึนเป็นจะต้องต่อสู้ต่อความจริงเหล่านั้นให้จิตยอมรับอย่าว่าแต่เราธรรมนาองค์สมเด็จพระสัสจาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ต่อสู้เพื่อให้รู้ความจริงเอาชีวิตเป็นเดิมพันทั้งท่านที่มีอยู่จะเพาะหน้าอยู่ตลอดเวลาพระองค์ก็ข้ามไปข้ามมาอยู่ จนถึงหกปีความจริงอยู่ที่นี่ก็ยังไม่เข้าใจแทจ้ตลอดสัตว์ทั้งหลายผู้ที่ไม่ได้สดึกษาทำคำสอนของพระโอษค์เมื่อไรเราจะรู้สินงเห่านี้แม้แต่ผู้ได้สดับแล้ว ก็ยังยากที่จะรู้ทำไมตั้งใจพยายามจริงๆเกิดมาเส้นผมบางภูกเข่ามันอยู่ในนีอยู่ในตัวเราแท้ๆหมพิจารณาก็พอจะจะรู้ได้เห็นได้แต่ถึงอย่างนั้นก็ยังไม่เชื่อไม่ยอมรับอะเพราะฉะนั้นต้องอบรมจิตใจให้มีความเห็นชอบหนึง่งถ้ากลับใด ความเห็นของเรายังไม่ชอบถูกต้องตั้งกำนองคลองทำอยู่ความดําริก็ดีการกระทําก็ดีการพูดก็ดีแต่ยากที่จะพองสายยากที่จะบริสุทธิ์เพราะจิตใจยังมีความเห็นผิดยังเพราะฉะนั้นความผิดจึงตามมาจากจิตใจที่มีความเห็นผิดจึงดําริผิดจึงพูดผิด จึงทำการงานผิดจึงเลี้ยงชีวิตผิดคำว่าผิดนี่ก็เราก็ไม่รู้จักว่าผิดอีกเหมือนกันเพราะไม่ทราบจะเอาอะไรมาตัดสินว่าเป็นความผิดแต่องค์สมเด็จพระธรรมสัมพุทธเจ้ถ้าองค์ทรงแสดงว่ า, าความผิดคำว่าผิดนั่นก็คือมันไม่ตรงกับถูกต้องให้เกิดความสงบอย่างแท้จริง ให้เกิดความสะอาดบริสุทธิ์ทางจิตใจจิตแท้จิงเพราะถ้าถูกแล้วจิตใจต้องสะอาดต้องสงบต้องพ้นจากความหิวโหยความพ้นจากความพยายามอยากเมื่อยังมีความสิ่งที่บังคับให้เกิดความหิวโหยความอยากเกิดการสะสมโลกกบดลงขึ้นมาแนละ้ว ถึงมันถูกก็ก็ถูกแต่เพียงกิเลสถูกแต่ทงผิดที่ไม่ใช่ความประสงค์ ข, ของเราทั่วไปเพราะเหตุนั้นเราทั้งหลายพึงเข้าใจว่าคำว่าผิดนี้คือไม่ถูกความประสงค์ที่เราทั้งหลายต้องการคือความสุขแต่ใช้สิ่งผิดการอบรมจิตใจให้มีความเห็นชอบ เป็นสมาธิิความเห็นชอบท่านก็เชื่อลงเห็นอนิจจังของสังขารทุกขันของสังขารคือสาราระร่างกายก็ดีสังขารทุกชนิดก็ดีไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเพราะฉะนั้นเรามาสดสองดูสังขารเพื่อให้จิตนี้ยอมรับความจริงและจะได้ปล่อยวางสังขาร น, นี้ได้เราก็จะได้ความสงบและความสุขอย่างยิ่ง ต, ตาม ทางที่องค์สมเด็จพระชมาสัมพุทธเจ้าของเราเรามาพิจารณาโดดกายสังขารจิตะสังขารกายาสังขารลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี่เรียกว่ากายสังขารยศได้โดยอันนี้อยู่ได้โดยอาหารเป็นผู้อุปถัมภ์จิตตะสังขาร ได้แต่สัญญาได้แก่เวทนาเป็นเครื่องกรุงจิตตษัสจิตเป็นจิตสังขารเพราะฉะนั้นเวทนาก็มีภัจจะภัจษะก็มีอายกานะนักนี่มันมันอาศัยปรุงแต่ซึ่งกันและกันให้ต่อเนื่องกัน ไม่มีที่สิ้นที่สุดสังขารเหล่านี้แหละเป็นทุกอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นการมารอบรู้ในกองสังขารือฝึกจิตของเราให้ฉลาดดูสังขารทั้งหลายมันสุขหรือมันทุกข์ส่วนไหนทุกข์เราก็พยายามละพยายามปล่อยวางปล่อยวางปล่อยวางไปตามรนนะดับจิตคอยสงบคอยละเอียดเห็นความสุข พ้นจากความปรุงความแต่งถึงความสงบแท้จริงนะสงบอย่างยิ่งพ้นจากสังขารไม่ต้องแต่งอะไรอีกแล้วเพราะมารูกความจริงขอให้เราทั้งหลายพยายามสอดส่องศึกษาให้เกิดปัญญาความรอบรู้ในกองสังขารที่มีอยู่ในตัวของเราเราก็จะได้ประจบความสุขความเจอบรรยายมาแต่นี่ไป ภาวนาต่อไปอีกสมควรเป็นเวลาแนละน